ในเก็บหนังสือกันวาดดีหือเปนไปนไหมใน<ม>ท้งนี้นะ<ม>เก็บหนังสือการวาก็คือการปฏิบัติธรรมนะครัก็ใส่สติเข้าไปในการนะเก็บหนังสือ<ม>ใส่สติเข้าไปใ น, ในการเดินนะตัวอย่างคือการปฏิบัติธรรมเท่านั้นนะ หลวงพ่อชาแต่ก่อนท่านก็่อที่ท่านจะเข้าใจธรรมะนะท่านก็คิดว่าต้องนั่งสมาธิต้องเดินจนคงมเปนการปฏิบททัติธรรมเวลาเก็บผ้าเย็บที่วอเวลาที่วอร์ดาดท่านตอนนี้ทํยังมาเจ็บเพราะว่าอยากจะได้เป็นเดินจนกรมอยากจะได้เป็นนั่งสมาธินี่ก็ที่ตอนนั้ น, น, น, น, น ท่านก็ยังไม่เข้าใจนะแต่ตอนหลังท่านก็เข้าใจแล้วทุกอย่างก็เป็นการปฏิบัติธรรมเราเองกตองตอง็ต้องเนี่ยต้องคอยเตือนตัวเองนะเวลากิจวัตรนะในเล็กในน้อยนะที่เราทำที่จริงมันไม่เล็กน้อยมันคือโอกาสในการปฏิบัติธรรมทุกรูปแบบเลยนะโอกาสในการที่เราจะได้รู้สึกเป็นะป ก, การเคลื่อนไหว นะของร่างกายนะบางทีมันก็นนทำให้เกิดการยืมตัวง่ายๆนะแต่ไม่เป็นไรนะถ้านะลืมได้เมืนะ่อไหร่นะเช่นเพิดเผลอเดินแบบรีบไปแล้วนะช่างมันนะพอเรารู้ตัวก้าต่อไปนะแล้วก็ใส่สติเข้าไปในการเดินนะมันไม่ใช่ว่าผิดแล้วผิดเลยนะ แต่ติดแล้วจะ เ, เปลี่ยนได้ไหมแบบนี้นะหรือเราสมมตินะสมมติตอนตัดอาหารหรือว่าใ น, นชีวิตประาำันทีเราซื้ออาหารซื้อข้าวของแย่ๆมากมายเนี่ย็นดึงตัวว่าที่ทำไ ม, มซื้อมาแย่ขนาดนี้จิดิ้หมดไหมแต่ก็เราพอ ร, รู้ตัวว่าเราพลาดแล้นะ หรือเราหรือเรากินแบบอาหารแบบอะไรอร่อยหรือเนื้อลุมตัวพอเรารู้ตัวตอ่ะคันต่อไปไม่ได้ขั้นต่อไปคือมือหน้านะตอนนี้แต่ยังไม่อิ่มใช่ไหมคันนี้นะเราก็จะทานอย่างมีสติทแท น, นคันที่ผ่านานมาผ่านสติค่ะชั้นมันกําหนดสติใหม่ใ น, นในก้าวเดินขั้นใหม่เนะ ได้ทันทีเลยนะอะวิธีฝึกสติมันไม่ใช่ว่าตัางต้นมันผิดนะตั้งมันไม่ต้องผิดตลอดไม่จำเป็น เ, นนเราสามารถเปลี่ยนได้เราสามารถแก้ได้นะในในปฏิบันที่เราทํำเลยนั่นมันก็ดีตรงนี้นะการที่เรีกว่าฝึกสติมันสามารถเปลี่ยนได้แม้มันจะผิดพลาดพ้าด มันก็ต้องมองเป็นเรื่องธรรมดานะมองเป็นเรื่องธรรมดานะเพราะว่าบางทีปัญหาในการภาวนาที่เราไปกลัวความคิดเราอยากจะได้แต่สิที่ถูกนะเรากลัวความหลงนะเราอยากยากากรู้นะตลอดเวลาหรือเราอยากจะรู้ให้มันชัดชัดอยากจะรู้ให้มันมากๆแต่ก่อนแต่กันไม่ก็ ปฏิบัติธรรมก็มันก็เกิดความสงสัยนะ เ, ออเราทำเนี่ยมันรู้สึกตัวจริงห ร, อรือเปล่านะเราทำถูกขึ้นเปล่านะเราก็กลัวมันผิดทางเราก็กลัวทำแล้วก็เสียเวลาเราก็กลัวทำแล้วมันไม่ถูกอนะถูกหรือเปล่าก็เลยทำไปแบบสงสัยไปทําไปแบบไม่มั่นใจนะ ทำไปก็ไม่แน่ใจก็ไดเองทำถูกรึเปล่ปลาแต่จริงเพราะว่าเราไม่ค่อยใจนะมันก็เลยเคยแบบนะั้แต่จริงรู้สึกตัวจริงจริงเนี่ยมันไม่ยากขนาดนั้นนะมันเราทำอะไรนะเปลี่ยนแปลงแรกๆนะแต่เจตนาเ็าไปว่าเป็นมีความตั้งใจเจตนาคือความตั้งใจความตั้งใจเนี่ยคือสมาธิ มีสมาธิในการทำมีสมาธิในการทำมันก็จะเกิดความรู้สึกตัวเกิดสมาธิในการรู้แต่ส่วนใหญ่มันเราจะมักจะอยู่กับความคิด <นะ S 1> หรือว่าเราเนื้อหึ่งตัวไ่อยเราใส่สมาธิเข้าไปจะสูญความตัานใจท่านใจทำทีละขนาดท่านใจเดินท่านใจ พือตั้งใจยกมือตั้งใจทํากิจวัตต่างๆคือท่าใจความตั้งใจเข้าไปเมื่อเราตั้งใจทานะมันก็เกิดความรู้สึกตัวนะในาการเออเข็นเข็นกายก็ทำนะใจตั้งอยู่ตรงนั้นแต่ตั้งใจต้องถ้ามากเกินไปมันจะกลายเป็นเพ่งอันอนั้นนะ ตั้งใจในการรู้เนี่ยมันจะเพิ่มสมาธิกำนะหนดสติอยู่กับปัจจุบนันกำหนดสติอยี่กับงานที่เราทำนะแต่ถ้าเราตั้งใจมากไปมันจะกลายปเป็นเะพ่งกายเป็นเครียดเราก็รู้เลยนะอืมแต่ถ้าเราตั้งใจน้อยน ะ, ม, นะมันก็จะลุ้งมันกะ็จะหลงมันก็จะลืมเนื้อลืมตัวมันก็จะคิดฟุ้งร้านะนั่นความตั้งใจนะนะให้มันพอดีนะ เรียกว่าเป็นสัมมาสมาธิไดนะ้นะสัมมาสมาธิเนี่ยความตั้งใจมั่นนะเป็นอย่างไรเลนะ่าเนี่ยนคือเราจต้องตั้งใจพอสมควรนะตั้งใจมากเกินไปก็เครียดก็เพ่ง น, นะหรือความตั้งใจหรือตั้งใจน้อยไปก็ฟุ้งซ้านก็ลืมเนือ ล, ลืมตัวนี่คือเราจะฝึกเรียนรู้ดนะูนะ เราก็ดูได้ที่ตรนไหนก็ดูได้ที่ผลผลเวลาเราตั้งใจนะตั้งใจมากผลมันก็คือมันใจมันทุกขนะ์หรือว่ากายมันทุกข์นะีนะ่ยคือมันก็เกิดผลแบบนี้ละ่ะแต่ม่าติดแะเออใครบอกเราก็เราก็บอกอไปวเอนี่แหละนะหรือว่าพอตั้งใจน้อยไปนะมันปรุงยาวนะ คิดไปเรื่อยๆเกลียหรือว่ามันดึงดึมเนื้อดึงตัวไปเยอะเลยนะแต่ว่ า, าตั้งใจน้อยไฟนี่คือผลเหมือนกันนะแต่ก็เออผลเป็นเพราะเราตั้งใจน้อยไฟนะผลก็เลยเป็นแบบนี้นะก็ตั้งใจมากขึ้นนะปรับตัวเองนะฮะปรับกับตัวเองแล้วก็ดูแบบนี้นะแต่ถ้าเราขนาดที่ทำาลเราก็ โแต่กังวลว่าเราจะทำถูกหรือเปล่ามันลงความตั้งใจนะในการทำแต่จริงถ้าเราเตั้งใจทำมันก็จะรู้มันลงไปนะคะก็ตั้งใจใหม่ น, ะนี่มันจะ ง, ง่ายแบบนี้นะที่จริงถ้าปฏิบัติธรรมก็าวาแบบตรงๆนะแบบเราเราทำแบบนี้เพื่ออะไรนะที่จริง ถ้าจะว่าไปจริงใจไม่ได้หวังความพ้นทุกข์อะไรเลยนะพลิกมือก็เพื่อการพลิกมือเท่านั้นยกก็เพื่อการยกเดินก็เพื่อเดินไม่ได้ทําพื่อจะเอาอะไรแต่ทําอะไรก็เพื่อเพื่อสิ่งนั้นตั้งใจทําอยู่กับสิ่งนั้นมันจบตรงแค่นั้นนะ ไม่ได้หวังอะไรเป็นมากกว่านันถ้าเราทำแนี้ได้นะอืมกินก็เพื่อกินไมไ่กินเพื่ออิ่มอิ่มมันเป็นผลที่แล้วก็เกิดเจากการที่เราตั้งใจในการกินเดินเราก็อีแค่ตั้งใจเดิ น, ไ ม, ไ, ดดน ไ, มไม่ได้จะเดินไปถึงน่ที่หมายไม่ได้จะเดินไปถึงมากผลนิพพานแต่ถ้าเราเดินอยู่มันก็ถึงเองนะ แต่มันจะรู้สึกว่าเราเราทำเสร็จแล้วทีวนั้นพนักเลยเนหะมือนที่หลวงพ่อพุทธทานน ะ, ะการทําการทํางานก็คือการปฏิบัตนะิธรรมเราจะทําเสร็จทุกวั น, นะนที่จริงนั้นจะว่าให้ตัวนะก็ทําเสร็จทุกขนักก็ได้นะเราิกมือมันก็สาเร็จแล้วนะในการรู้สึกตัวเรายกมือนะตั้งใจยกยกมือ มีการเคลื่อนไหวมีการหยุดแล้วมีการรู้แล้ ว, ม, ลวมันก็สำเร็จแล้วนะในหนึ่งขณนะนะทำนะัน้นทะีละนณะทีละนะทีละขณะมันก็สำเร็จในการรู้แล้วทิลนะนณะเป็นพอนะแต่แต่ก่อนเนี่ยไปคิดว่าเรา ย่อมถูเพื่อเปล่าเรารู้ถูเพื่อเปล่านะเป็นกังวลมากไปเราแค่สําเร็จแล้วในการตั้งใจทำถ้ามันจะเกิดตัวสติที่มารู้นะรู้การจะทำนะตอนแนกมันก็คือมีใจนักที่ตั้งใจนะแต่ไม่ใช่ก็ต้องเป็นตังทุกทุกเก้านะทุกอย่างหมดนะมันเป็นแค่เหมือน สตาร์ตตอนแรกนะมันเปิดเครื่องจักรนะมีเปิดปุ่มสตาร์นะมันก็ทํางานของมันเองนะอย people, milk, hago, ่างติดตีจังหวะเนี่ยมันก็เรายกเทีนข้องนะแล้วก็ขีดแค่ตั้งใจนะ่อจะเริ่มนะนะพอตั้งใจเริ่มนะมันก็ไปของมันเองแต่จริไๆว่าอาจจะมีการดูควบคุมน้อยๆนะให้มีการการหยุดนะติดจังหวะเพื่อให้เกิดการ รู้ตัวแบบเป็นทีละั้งนะั่ะเราก็ตั้งใจเบื้องต้นอ่ะจะเริ่มปฏิบัติแต่ไม่ใช่ว่ามากเกินไปนะมากเกินไปก็เครียดบางทีเราก็เคยหลงนะเคยหลงอยากจะรู้ให้มันชัดๆก็พยายามทำให้มันช้ชาๆ น, นะหรือว่าสงใจอยู่ที่มือที่เท้ามากไปมันก็ มันก hmm. mm ็เคยโดยการเป็นการเคร่งก็เครียดหรือบางทีเราอยากจะรู้ใจนะบางทีแบบไหนนอมีแต่จิตรู้จิตโดนจิตเป็นแบไหนก็เคยบางทีก็เดินไปก็คอยไปหาจิตมันอยู่ตรงไหนออความคิดมันอยู่ตรงไหนนะเดินหาเดินหาความคิดเดินหาอารมณ์เดินหาจิตมันอยู่ตรงไหนอ๋อ ลืมตัวไว้ที่จริงจิตไม่เห็นไหนจิตมันกาลังหาอยู่นั่นแหละลืมลืมเห็นว่าจิตเรากำลังเป็นหานะะเอาจิตไปหาจิตมันไม่เห็นนะเพราะว่าจริงจิตตอนนั้นมันหานะมันหามันหาจิตเยอะเราไม่มีตาจิเห็นไอ้จิตที่มันกาลังเป็นหานั่นแหละ ม, มันก็เลยไเห็นตัวเองนะเหมือนคล้ายๆเหมืนเราเดินนะ ก็เงาเยู่ข้างต่างเราเราก็จะเดินหาเงาอยูหา <c oughs> ไม่เจ๊ไดนะ้ทีเนี่ยถ้าเราหยุดนะถ้าเราดูอยตรงนั้นนะมันก็จะเก็นเองนะแต่จริงนะเบื้องต้นที่เราฝึกอ่ะมันง่ายกว่าก็คือฝึกในการรู้กายที่เคลื่อนไหวมันชัดเจ น, นะกายเคลื่อนใจรู้กายหยุดใจรู้กายกระทบ ใจรู้ตรงที่ปัจจบัตเนะนี่ยง่ายส่วนการจะไปเห็นจิตนะถ้าเราไปคอยตามหาเนะี่ยมันหาไม่เจอเพราะเราไปส่งจิตตามหาจิตมันไม่ได้แต่มันต้องประมาณว่าเคลื่อนไหวไปนยะเกิดความหลงขึ้นมาแล้วมันแวบะบมาเป็นความคิดแวบะบเป็นอารมณ์พอเนี่ยแหละคือเราไม่ได้เที่ยวหานะ แต่มันมาให้เราเห็นเองมันต่างนะมันผ่านมาให้เราเห็นพอเห็นปุ๊บน่ะสตะิก็เกิดข้อมาอันนี้แหละหนึ่งใช่แล้วนีน่มันเห็นเป็นแวบหลงไปคิดอืมนี่แหละเห็นแล้วเห็นจิตแล้วอืมจิตมันหลงไปคิดนีน่นคือการเห็นจิตใจนะไม่ใช่ไปคอยถามหาแต่มันจะเกิดขึ้นมาให้เราเห็นเอง นะมันไม่เกิดนะก็ไม่เป็นไรเราก็ดูกายของเราไปนะไม่ต้องไปคอยหามาันะแต่ถ้ามันช่วงไหนก จ, จิตมันมันมันชัดหรือว่ามันปเป็นเด่นในการรู้ตรงนั้นบางทีก็เห็นเห็นจิตที่มันแวบไปบ่อยนะแต่จิตก็ตีจิตก็ไ ป, ไปพาตาไปดูอะไรก็ไม่รูนะ้แต่ได้เห็นแวบไปดู บาทีเกิดเสียงอะไรขึ้นมา น, นะอยากไปฟังนะหรือได้กิ่นอะไรได้กลิ่นนะอาหารเดินไปไปกิ่นนะตอนแรกมันได้กินกกดกนดีใจนะผัดใส่กระทบแต่เมื่อเกิดจนนิงที่แบบย้งเนี่ยอยากไปดมให้มันชัดขึ้นหรือว่าปรุงต่อว่ามันคือกิ่นอะไรสงสัยอยากรู้อันนี้คืออย่างที่พระอาจารย์อาจารย์พูดตอนเมวาน ขัดจัที่กระทบตอนแรกเนี่ยไม่ไว่าแต่ตาลิ้มจมูกนี้วใครใจมันยังไม่ใช่ ค, ความหลงเด็ทีเดียวหรอกเราหลงเพราะว่าเรามิรู้ทันขัดจังที่กระทบเนี่ยเราไม่รู้ทันเวลาตาเรากระทบรูปอะถ้าเรารู้ว่ามันเป็นเพียงแค่รูปเนี่ยมันก็จบแต่มันเกิดความติดใจเกิดความสงสัยหรือเกิดความไม่พอใจเนี่ะ มันก็เลยลากลากใจเราไหลทางไปเรียกว่าจิตมันไหลไปนะจิตมันไหลพนะ <c oughs> ระป่าาแบบหลวงคู่ดูลงบอกว่าจิตส่งออกนอกหะวงปู่ดู้งก็สรุปนะในการเจริญอริยมรรคพระแมเจริญอริยสัจสี่นะอริยสัจสี่ได้เด้ชัดเจนบอกจิตส่งออกนอกนะเป็นทุกขนะ์ะ ก็เป็นเป็นสมุทยัยผลจากจิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตจนจนแย ง, งแยงแจ้งเป็นมรรคนลจากการเห็นจิตแยงแยงแจ้งเป็นิโระจิตส่งออกนอกนะ่ะเป็นเหตุก็คือใจเราไหลเป็นทางตาเราดูทันใจไหลไปทางหูไปจากฟังเสียงสัง เ, เกตไหม อย่งเราเสียงเพลงเพรานๆแล้วใจเับเพ้อไปกับเสียงเพงนี่ยเราว่ามันดีนะมันก็ดีทาให้แบบแต่ดีแบบทำให้มีความสุขเป็นอินกับเสียงเงแต่ถ้าเราไม่ใี่ใจไหลไปเนี่ยเราก็ไปอยู่กับเสียงเบางคนน่ยเศร้าใช่ไหมยิ่งฟังเพลงเศร้าๆยิ่ไหลไปย่เพลนีเศร้าก็อกหเสียใจนะใช่หมบางคน ความีพลิดเพลิ ก, ก็ไหลไปความเพลิดเพลิน ก, ก็เต้กกนกกนะ ก, ก, ก, ก็สุขใจเพราะมันไหลไปนสังเกตใจเราไหลไปทางไหนบ่อยมันก็ถือตัวเตือนให้เราเห็นว่าจะดิต่อไปทางนั้นบางคนชอบดอกไม้เห็นดอกไม้ใจก็จะไหลไปหาดอกไม้บางคนชอบสนุนไยัยเห็นสนุนไัยใจก็จะไปหาสนุนภัย บางคนชอบนกนะเห็นนกแต่ก็จะไหลไปหานกนกะตัวนี้รู้แล้วว่ามันคืออะไรนกตัวนี้ยังไม่รู้ก็อยากจะรู้ว่ามันคืออะไรบานะงคนใดก็ไหลไปหาคนนะชอบตื่นตื่นเะขาทําอะไรนะเขาเป็นอย่างไระแต่ก็จะไหลไปอันนี้เราก็คอยสังเกตดูตัวเองนะเราจะ ถ้าเราดูตัวเองได้เราจะกล้าๆจัดจัดทางได้จัดทางเฉดที่ใสของเราได้เราชอบไหลไปทางไหนเนียเราชอบหลงไปทางไหนมากตรงกันนะพอพอเราเห็นบ่อยอ๋ออันนี้แหละเป็นตัวเตือนนะมันชอบไหลไปทางนี้นะแต่ก็เออเช่นสมมติสมมติเรารู้ว่าเราชอบไหลไปจับสมมติดูดูดอกไม้นะสมมติ เวาไปเดินนะอเห็นดอกไม้อมันจะได้เตือนใจแล้าอึเห็นแล้วใจไันไหลหรือเปล่าเขาคอยสังเกตดูคือถ้ามันไม่เห็นมันก็อาจจะอยู่กับเนื้อ ต, ตัวได้ดีแต่พอเห็นดอกไม้ด อ, ไมดอกนึ่งขึ้นมาใจมันไหลไหมสังเกตดูมันไหลก็ปล่อยมานไหนแล้วเราก็แค่เห็นว่ามันไหนล แต่ถ้าเราไม่ตั้งหลักตัวเองไว้นะแต่ก็จะถือไหลไปบางคนใจมักไหลไปกับผู้คนนะอยูนะ่กับคนเยอะๆอยู่กับคแนแตลกหน้าใจชอบไปสนใจรู้เรื่องคนอื่นนกะ็ดูก็ดนะูมันบางคนใจชอบไหลไปกับเพลงะแต่บางคนก็ไหลไปกับคนะนะนะคบละแนวนะใช่ไนหะมบางคนชอบแนวนี้เนะี่ยฟังแนวนี้ไหลไปกับมันะ ก่อนมันก็บางทีเราก็ไม่ฟังนะแต่บางทีมันก็เคยเป็นจิตนิสัยนะแต่ก่อนชอบฟังเพลงอย่างเพลงเพื่อชีวิตนะบาทีไปนั่งรถครัวนะเขาเปิดรูปทุ่งเปิดอะไรก็ไม่สนใจแตไม่เป็นไรสบายแต่ถ้ารถทีไหนเปิดเพลงแนวเพื่อชีิตขึ้นมาเขาเห็นใจมันไหลเข้าไปทีถ้าเราหลงไปนานก็หลงไปร้องในใจตามนะ ถึงจิตก็ถึงไปเช่นเพราะดี อ, อะไรประมาณนี้เกงอะไรไม่ใส่ฟังมันก็มันก็ไหลไปแต่ถ้าพอไม่มีสติมันก็เหมือนเห็นมันเดี๋ยวก็แวบบ๊กนะเดี๋ยวก็แว๊กไปฟังเดี๋ยวก็แว๊กไปล้อมเดี๋ยวก็แว๊กไปชอบเนะอเไรนบบนี้แต่มันไม่ใช่ว่าเราจะบังคับให้มันไม่ไหลแต่เราจเห็นใจที่มันไหลไป กับสิ่ที่เราชอบหรือนะไม่ใช่สิ่งที่เราไม่ชอบมากๆนะมันก็นนนทำให้ใจเราไหลไปมากอันนี้มันแบบวิถกชีวิตเราเลยนะมันะนะก็ดึงใจเราไหลไปไปต่อต้านไปวิจารณนะไปปฏิเสธมันก็มนะีอันนี้คือการจะเห็นเห็นจิตเห็นใจเนะี่ยเราไม่ต้องเคยตามหาเนะพียงแค่สังเกต แต่จริคือเป็นผู้สังเกตผู้สังเกตเนะีนะ่ยดูอยู่เฉยๆนะไม่ใช่เป็นคนไปนคอยเดินตามหานะไม่ใช่เป็นนักตารวจเหนะมืนนักตารวจจะคอยตามหาตามหาหรือว่าอันนั้นอันนี้มีอยู่ตรงไหนใช่ไหมเหมือนตํารวจต้องไปคอยตามจับนะตามจับตัวร้ายนะแต่ผู้สังเกตเนะีนะ่ย เหมือนคล้ายๆเรอยู่ตรงตรงปากทางนะอยู่อยู่ตรงด่านนะสมมุติถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ส่วนคนเข้าเมืองก็อยู่ตรงด่านนะคอยจับสังเกตคนเข้าเมือง น, นะว่ามีพิรุธหรือเปล่าว่มียาเสพติดหรือเปล่านะดูอยู่ตรงนั้นนะดูอยู่ที่ด่านไม่ต้องไปคอยเดินตามหาถ้าเราเดินตามหาเราจะตับสินนะคนนี้เป็น เขาเข้าออกตรงไห น, นมันมันดูยากนะแต่เราดูอยู่ที่ด่านนะหรือว่าเหมือนยานนะดูอยู่ที่ตรงประตูนะคอยเปิดคอยปิดคอยตรวจสอบ ว, ว, ว่าใครเข้าใครออกนะจิตใจก็เหมือนกันนะนะผู้สังเกตนะเป็นผู้ที่เราก็เหมือนเรา มันรู้สึกที่กายเนี่ยเมันให้ใจมันตั้งเดี่ยวตรง น, นี้ก่อ น, นมันไม่มีใครเข้าใครออกเราก็รู้สึกตัวในการเคลื่อนไหวไปแต่พออารมณ์มันไหวไปอารมณ์มันไหลไปเนี่ยมันจะเกิดเห็นเลยว่า ม, มันไหลไปแล้วไหลเป็นฟังแล้วไหลเป็นชอบแล้วไหลเป็นไม่ชอบแล้วนะมันจะเห็นแป๊บแปแ ป, แปนะ ถ้ามันไม่เห็นตอนแรกมันก็คือคิดตุงแตนไปยาวนะเป็นเรื่องเป็นราวแต่ถ้าเห็นตั้งแต่ตอนแรกจะเห็นรู้ึกเนี่ยถาว่าคิดว่าใจไหล <c oughs> มันไหลจริงนะไหลแต่แต่ก่อนมันอยู่ตรงนี้มันไหลออกไปเป็นสนใจนะไหลไปตามตาเนะยอดไม้อะไรนอมันไหลแล้วใจ ห, หอยุดที่ยอดไม้ของมันมันก็เห็นนะเห็นแล้มันต้ก็จะแวะในการ กลับมานะกลับมาอยู่กัเออีแต่ก็อาจจะแม้ไปอีกนะแล้วก็วก็แครรู้ว่ามันแม้ไปมันก็กลับมานะมีสติน ะ, ระ จ, นะจริงๆริงนะมันเพียงแค่เป็นผู้ดูนะนะเราไม่ต้องไปคอยค้นหะานะการภาวนาที่จริงที่บางทีเรากลัวไม่ดีนะเรากลัวไม่ถูกเราก็ไป พ, พยายามมากไปนะพยายามในการ หาพยายามในการตรวจสอบมากเกินไปแต่จริงนะคพีงแค่เคลื่อนไหวรู้สึกแต่จริงจะลองฝึกแบบนี้นะฝึกว่าไม่ใช่เอาใจมาอยู่กับกับมือกับเท้าไม่ได้มีอยู่กับดมเลยสรงแต่คำว่ารู้สึกเนี่ยคือรู้สึกที่กายใจเป็นผู้รู้มันมี มันต้องแยกสองส่วนนะไม่ใช่มาเป็นกินกับกับการเคลื่อนไหวไปเลยนะเหมือนที่พูดวันแรกๆนะถ้าเราเคลื่อนไหวแล้วเราสมใจไปอยู่กับการเคลื่อนไหวด้วย่มันจะเป็นสมาธิแต่สิ่งสำคัญคือกายเคลื่อนนะมีใจเป็นผู้รู้นะกายทําอะไรก็แล้วแต่นะมีใจเป็นผู้รู้แต่ผู้รู้ตัวนี้ไม่ใช่เป็นผู้รู้ตัวเดียวที่ไปรู้เรื่องของกายเรื่องของใจตลอดเวลา แต่ผู้รู้ตัวนี้มันก็รู้แล้วก็วางนะรู้แล้วก็จบมันเคลื่อนใหม่มันก็รู้ใหม่ใจมันไหลี่ใหม่มันก็รู้ใหมนะ่เป็นการรู้ทีละครั้งนะมันจบทีละครั้งนะมันจะวางลงไปทีละครั้งมันเบาตรงนี้นะแต่ถ้าเราไปอยากรู้มากมันจะเอาผู้รู้เนี่ยไปประมาณว่าไปตามรู้ตลอดเลยอนะ ตามรู้ทุกเรื่องทุกปราวนะมันจะกลายเป็ น, เ ร, น เ, ร เ, เราก็เหมือนใครเดินตางเขาเราก็เสียหักไปละแต่ผู้รู้นี่ยดูนะ ด, ด, ยดีๆเฉยมันผ่านมานะแล้วก็ผ่านไปนะมันเกิดขึ้นแล้วก็จบตรงต่อรู้ก็จบตรงเหมือนกันที่จริงมาว่าเหมือนเหมืนอนยางที่เป้าประตูนะเขาอยู่ตรงนั้นแหละรถผ่านเข้าไปก็จบหน้าที่เขาแล้วไม่ต้องไปคอย ตามดูรถที่มันผ่านก็ไปรถออกไปแล้วนะก็ดูแค่ตรนนั้น่อไม่ต้องไปคอยตามดูรถที่คุณออกไปวี่งไปอย่างไรเพราะหน้าที่เขาอยู่ตรงเฉพาะหน้าตรงนั้นนะเฉพาะหน้าตรงนั้นหรือบางคนดูลงหายใจนะแต่ก่อนเรามคิดว่าเราต้องตามดูลงก็ไปแต่จริงการดูลงเนี่ยดูเป็นจุดนะเช่นเรากําหนดรู้นะแต่กําหนดรู้ชัดหน่อยที่ปลายจมูก ดูลมหายใจเข้าทางปลายแมหูดูลมหายใจออกทางปลายแมหูหรือบางคนจะดู ò, ที่ท้องรู้สึกถึงลมหายใจเข้าท้องห่อรู้สึกถึงตรลมหายใจออกท้องยุบเลยดูเป็นแค่จุดนะแต่ไม่ใช่ว่าเพ่งที่จุดนะแต่ถึงว่าเราก็รู้ตัวทั่วท้องแหละแต่มันแต่ให้มีดักอยู่ที่ตรงไหน เป็นหลักตรวนีนะ้แต่หลักของการฝึกแบบเคลื่อนไหว น, นะเราเอาใสการเคลื่อนหรือการหยุดก็ได้นะหรือการกระทบก็ได้นะเป็นตัวรูนะ้มันก็ไม่ต้องเอาส่วนใดส่วนเดียวก็ได้นะแต่ถ้าใครแบบใหม่ๆสัจนิ่งๆครับบางทีก็บอกเอาการกระทบก่อนก็นได้ะเดินอเอาการกระทบเป็นตัวรู้เป็นตัวหลักก็ได้ แต่ถ้าเคลื่อนบางทีมันก็ไม่ได้กระทบทุกท่านะเพก็ก็บอกอืมถ้ายกมือก็อาจจะออกการเคลื่อนก็มีการเคลื่อนทุกท่านะแต่อาจจะไม่กระทบทุกท่าหรือบางคนอาจจะออกการหยุดก็ได้นะแต่จริงทําไปจริงๆนะสติมันก็ไม่ได้เลือกแต่เราตระหนเราต้างรูปแบบที่เราถนัดนะให้สติมันเกิดขึ้นบ่อยแต่พอจริงๆสติมันก็ไม่เลือกนะ มันก็รู้สลับกันไปสลับกันมาเองเช่นพลิกมือนะ่นะถ้าเจ้าในสติดีมันก็รู้ทุกท่าเลยนะเคลื่อนก็รู้หยุดก็รู้กระทบก็รูนะ้แต่บางครั้งมันไม่รู้ทุกจังหวะทุกกิริยาบุตนระแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะหายไปเยอะก็ก็ถูกเหมือนกันนะนะแล้วก็ทําสบายๆเป็นครั้งเป็นครั้งใจมันไหลไปคิดเกิดขึ้นมารู้่นะ มันก็แทรกเข้าไปละน่ะสติมันจะแม้แต่ตายบางทีก็บางคนเคยดูลมหายใจบางทีลมหายใจก็แทรกเข้ามาให้เราเห็นอืบางครั้งเราก็ปิดตามันก็เห็นการปิดตาบางครั้งก็เนี่ยเอียงซ้ายเอียงขวามันก็เห็นการเอียงซ้ายเอียงขวาแทรกเข้าไปนาที่เห็นการกวดหลังอืมยืดขึ้นมานิดนึงมันก็ดูน่ะเนี่ยตั้งใจยืด มันการรู้กายเนะีนะ่ยถ้ารู้จดจ่อที่เดียวนะบางทีมันจะเป็นสมถันเนนะีแต่พียงเจาที่เดียวเป็นตามรู้ที่เดียวมันจะเป็นสมถั น, นแต่ถ้าเราเพียงแค่กําหนดเนี่ยส่วนในส่วนหนึ่งให้เป็นตัวที่ชัดหน่อยแต่ก็ให้อิสระเขาหน่อยนะไม่ใช่เป็นบังคับเขาเกินไปนะเขาจะรู้อะไรเนะีเป็นมากกว่นั้นก็เป็นเรื่องของเขา แต่ให้มันเป็นเนื่องด้วยกายนะหรือถ้าจะเกิดอารมณ์เกิดความคิดขึ้นมาก็เป็นเนื่องด้วยจิตนะมันคิดก็ถูกแล้วนะเราก็เพียงแค่เห็นมันไหลไปลนะอ่านต้อนไม่ห้ามันก็เพียงแค่เห็นนะเหมือนคล้ายๆนะเราพาหมาไปเดินเล่นนะพอนะมันหไหลออกไปไปบุนวายที่อื่น เราเรียกเขากลับมาคือหน้าที่เราก็แบบนี้นหรือว่าถ้าเรามีเชือกนะมันจะไปเราก็ะตะกุกเชือกมันก็กลับมาจิตของเราก็เหมือนกันนะพอจิตเห็นความคิดที่มันไหลไปเห็นอารมณ์ที่มันปรุงไปนะมันก็มันก็จะตัดกลับมาอ่าอยู่กับเนื้อกับตัวแทนนะเราก็ทำแบบนั้นนะทำไปเรื่อยนะเห็นเห็นตัวที่ไหลไปตัวหนึ่ง ตัวที่เห็นเป็นตัวหนึ่งตัวที่คิดเป็นตัวหนึ่งตัวที่รู้ว่าคิดตัวที่เห็นว่ามันคิดมันอีกตัวนึงตัวที่เห็นจิตมันหนักหนักนะบางทีจิตมันหนักบางทีมันไม่หายทีเดียวนะใช่บางทีเราทป็นเครียดเยอะๆนะหรือบางทีเราติดอารมณ์อะไรเป็นทุกข์นะยังเห็นจิตมันหนักนะมันก็ยังหนักอยู่มันยังไม่หายถึงที่เห็นกายมันหนักนะ เป็นการมันมั น, ม, นมันตึงมันเห็นแล้วไม่หายเพราะมันเป็นผลผลที่มันตื้นเนื้อนะมันเป็นอาการที่มันพอเยอะขึ้นแต่เราก็ดูเป็ทีละขนาดดูเป็นทีละขนาดตัวดูเป็ทีละขนาดนะคละานะ้ายๆเหมือนกับอะไรนะเหมือนกับเราเรายังไม่อิ่มนะเราก็กินเป็ทีละคำนะมันก็ไม่ใช่จะอิ่มเสร็จทีเดียวนะ แต่จะว่ามันก็อิ่มขึ้นก็ว่าได้นะแต่มันก็ไม่หายทีเดียวบางทีอาการปวดเมื่อยแน่นตึงอะไรต่างๆมันก็ดำรงอยู่นะแต่เราก็เราก็ใส่เอดมันก็ดูไปเรื่อยๆนะมันหายมันก็หายมันยังไม่หายเราก็ดูมันไปก่อนนี่ก็เลยนะจิตใจก็เหมือนกันนะมันจะเกิดขึ้นนะเราก็ดูมัน มันดับไปนะก็จบไปมันยังไม่หายสิ่งสำคัญนะคือใจที่เมื่อทีเราอยากจะให้มันดีอยากให้มันหายหรืออยากให้มันไม่เกิดอีกเนี่ยแหละมันจะเข้าไปจัดการเข้าไปวุ่นวายมันจะติดตรงนี้นะใจถ้าเราใจไม่เป็นกางมันจะเท่นอารมณ์ไม่ดีความคิดฟุ้งซ่านที่เราอยากจะไปห้ามไปจัดการ เป็ข่มเขาไอ้คนเนี้ยใจเราไม่เป็นการละแต่เราที่จริงถ้าเรารู้นะรู้เียเฉยมันก็จบหรือบางทีรู้สึกว่ามันอยากไปจัดการก็รู้ว่ามันอยากไปจัดการอันนี้ก็ถือว่ามีสตินะอืมแต่ถ้าเราไม่รู้นะเอเราจะไปจัดการหรือบางทีบางเรื่องบางลาเราก็เอาถูกเอาผิดกับมัน เอาถูกกับผิดกับคนอื่นเอาถูกกับผิดกับตนเองนั่นแหละนะมันก็เลยปรุงแต่งต่อนะบางทีเราก็ถูกกับผิดมากๆเราก็ทุกนะทุกนะทุกเพราะทำไมเขาทาแบบนี้ไม่ถูกทําแบบนี้ไม่ดีในชะ่ไหมก็ปรุงแต่งไปว่าแต่เขาจะดื้อมตัตเองเป็นทุกแต่คนฝึกสติจริงๆนะจะเห็นว่ามันทุกมันจะวางความทุกข์ก่อนถูกผิดเป็นเรื่องเรื่องสมมุตินะ เป็นเรื่องนอกตัวนะตอนนี้ใจเราทุกขนะ์เนี่ยถ้าว่าถูกหรือผิดก็ถูกที่ก็ผิดที่เราวางใจผิดเราต้องอเห็นใจที่มันไปนยึดนะความถูกความผิดนะกับเรื่องความคิดก็ดีกับเรื่องคนอื่นก็ดีนะมันก็เห็นนะให้เราเห็นบางทีเราก็จะเห็นจินี้ใส่ของเราหนะนะละจิตนี้ใส่แต่ละคนก็ต่างกันบางคน อืถ้าเป็นเรื่องประมาณวนะ่าเรื่องไม่ถูกต้องเรื่องไม่ชอบทำเนี่ยจะเกิดความโกรธเกิดความอปล่อยวางไม่ได้นะต้องเอาไม่ได้เราถ้าเราไม่เห็นตัวเองวนะ่าเราติดตรงนี้นะเราก็จะคอยเอาถตัวไปผิดกับเรื่องนะคนนั้นคนคนี้ผิดอะไรเราแต่เองคนปุ๊บนะอะือันนี้เป็นตัวอยา่านงะเป็นตัวอยา่างถ้าเราเห็นจริที่ใส่ตัวเองเนะถึงที่แก้ ก็คือถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นในใจนะเราควรันมาดูตัวเองก่อนอย่าเพิ่งไปเอาตีเอาถูกกับคนอื่นมาดูก่อนนะมาตรวจสดูใจของเราก่อนเราเห็นทังใจตัวเองไหมนะมันไปเอาอีกแล้วนะมันไปรุกอีกแล้วถ้าเราเห็นนะมันจะวางแต่ถ้าเราไม่เห็นเราเป็นเปนเนี่ยมันก็เรื่องราวมันก็ไม่จบเราคิดว่ามันจะจบตอเรื่องมันเคลียร์ได้ ต้องไปจัดการก่อนตัดสินชะวาลแต่นักปฏิบัติธรรมจริงๆตอนเนี้จัดจัดการจะไม่ได้จัดการแบบเปผ็ผมมอารงนะมนถือว่าจัดการโดยการเปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์ก่อนเปลี่ยนความหลงเป็นความไม่หลงในใจก่อนเอาเริ่มที่ตรงเน็ต น, นะเราไม่ได้ไปคิดว่าต้องไปจัดการข้างนอกให้มันถูกให้มันผิดให้มันดีก่อน ถ้าถึงจะวางได้ตอนนี้มาดูดูความรู้สึกของเราก่อนนะนั้นเราก็เพียงแค่คอยรู้ทันบ่อยเนาะแล้วก็ถ้าเราสังเกต บ, บ่อยเราจะเห็นสิ่ที่ใสความเคยคิดของจิตนะที่มันมักไหลไปทางไหนนะทางที่ชอบก็ดีทางที่ไม่ชอบก็ดีมั น, มนชอบไหลไปทางไหนเนระียว่าเห็นที่ใสใจเองนะนะ แต่ที่จริงนิสั ย, ย่างนี้มันก็ไม่ใช่เราจริงๆหรอกนะมันเป็นเพียงแค่การที่มันมันสะสมมามาเยอะนะเคยมาทางนี้บ่อยๆเคยมาทางนี้บ่อยๆมันก็จะติดเป็นต้องล่องของจิตล่องของความคิดนันมันก็จะไหลเ ห, หมือนล่องน้ํำนะเราขุดร่องน้ําไปทางนี้น้ำก็ไหลไปทางนี้ เ, <อ>เราเขลียนร่องน้ําใหม่นะน้ำก็ไหลไปตามร่องน้ําใหม่การฝึก การเติมสติคือทีいい่จริงก็เหมือนเปลี feet, ่ยนล่องน้ํานะเปลี่ยนล่องของจิตแทนที่จะไหลไปทางเอาสูกเอาผิดไหลไปทางทุกไหลไปทางสุขคราวนี้เปลี่ยนร่องของจิตให้กลัดมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวรไวๆอะไรเกิดขึ้นมันก็ระแระกลัดมารู้สึกตัวก่อนกัดมารู้สึกตัวก่อนเราเปลี่ยนตรงเนี้ยมันจะเปลี่ยนเสียงที่ใสีน จากที่เคยเป็นนโพสจดิศโมหเจดิศวิตตกจดิศนะจดิศเมต翰ที่ไสลไปตามกิเลสอันนี้ก็จะกลายเป็นสติจดิศนะจดิศในการรู้สึกตัวเป็นพุทธิจดิศนะจดิศในการที่จะเกิดนะโพธิปัญญาขึ้นมานใจนะมันก็เปลี่ยนจดิศที่ใสกันนะอืแต่ก่อนเป็นคนโกรธง่าย เราก็จะเห็นจิตที่กดง่ายนะกลับไปความกดก็น้อยลงนะกดต้านลงนะน่คือเราต้องเปลี่ยนจัด ก, การกระทําำนะนะภาวานาเนี่ยค่อยๆเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจนะทุกอย่างนะมันเปลี่ยนได้นะถ้าเราเริ่มต้นในการที่เห็นนะเห็นตัวเองรู้จักตนเองแล้วก็จัดทางกันได้แล้วก็ค่อยกลับมาบ่อยๆคอยกลับมาบ่อยๆนะคล้ายๆเหมือนตอนเราตัดต้นไม้นะ เห็นต้นไม้มันโคนะนะ mm ้งปกติต้นไทรจะตรงใช่ไหอคนส่วนก็ทาําหนะ้าที่ตัดให้มันโค้งก็มาหากันหตัดบ่อยๆมันก็โค้งอยู่อยู่อยู่ทรงใช่ไหมเอ่อรือคนส่วนบางคนก็ตัดต้นไม้ก็ตัดทรงเป็นรูปนั้นรูปนี้นะเขาก็ยังตัดได้จิตที่ใส่หิตนะใจก็เหมือนกันนะมันฝึกได้นะ มันหนักได้นะแต่ไม่ใช่เราเป็นจัดการนะแต่เีแค่เหมือนไป็นใช้ถ้าจะว่าไปเหมือนใช้ตัดที่ส่วนเกินออกตัดกีเลขออกนะเหมือนอะไรนะนักนักแกะสลักที่เก่งๆที่อะไรนะเออแมคเฟอร์เรยเจโร่เขาบอกเขาปั้นรูปอะไรนะมนุษย์อะไร <c oughs> เออสวยๆนะมีคนถามเขายัางไหมว่า ทำไมนถึงวันใครใครคนแกะเดวิตได้สวยจางทุกก็เพียงแค่แกะออกสิ่งที่ไม่ใช่เดวดิตออกไเออเออก็เบื่อจะเดวดิดละอันนี้ก็เหมือนกันนะเราก็เพียงแค่รู้ทันส่วนที่มันเกินเข้าไปที่เราทำมากเกินไปนะไปจัดการไปควบคุมหรือว่าไหลไปนะเราก็เพียงแค่ลักส่วนนั้นออก กลับมารู้สึกตัวมันก็จะเหลือแค่ความรู้สึกตัวเรื่นเนี้ว่ยนะชีวิตก็จะกลายไปเหมือนแค่ความรู้สึกตัวเงรู้วนาจะทำอะไรมันก็อยู่กับเนื้อกับตัวนะพอเราทำไปบ่อยมันก็อยู่กับเนื้อกับตัวแต่ก่อนตั้งใจตั้งใจรู้สึกหน่อยต่อไปก็ไม่ต้องตั้งใจความรู้สึกตัวมันก็เกิดขึ้นมาเองรู้สึกกายก็ไม่ต้องตั้งใจใมาก ทำไปบ่อยมันก็ติดในการรู้สึกจิตใจก็เหมือนกันก็ไม่ต้องตั้งใจไปรู้อะไรมันแต่มันแมกขึ้นมาเองมันก็รู้นะแต่แม้แม้แต่ครั้งนี้ไม่ใช่ว่ากิเลสมันไม่หมดนะแต่เพียงแต่ว่าตัวสติฮะมันเกิดได้เป็นอัตโนมัติมันขยันเข้ามาเองนะมันขยันรู้นะกิเลสยังไม่หมดหรอกนะแต่มันพอรู้ไบ่อยรู้ไปบ่อยคล้ายๆเหมือนเราไม่ไปเติม เติมอาหารให้กับกิเลสกิเลสมันจะนค่อยๆอนกำลังนะความคิดที่เคยมากมันก็ลดลงนะอ า, ารมณ์ที่เคยแรงมันก็เบาลงความทุกข์ที่เคยมากมันก็ทุกข์น้อยลงมันยังมีอยู่ทุกอย่างยังมีนะแต่พอเราเห็นเราไม่ให้ค่ามันเราไม่ให้อาหารมันมันก็อนกนาลังของมันเองเพราะ อ, อาหารจริงๆคือ เราหลงไปให้ค่ากับเขาเราลงไปตามเขานั่นแหละเขาก็เลยมีกำลังมากขึ้นแต่พอเราลงตั้นลงตั้นลงรู้ท่านมันเร็วนะมันก็มีนะมีแต่เราไม่เป็นเนตม็มกับมันนะาลวงปู่ตูนบอกมีคนถามหลวงปูู่นหลวงปู่มีดดมมความโกรธไหมหลวงูบอกมีแต่ไม่เอาก็าไม่รู้มีจริงหรือไม่จริงนะแต่ประเด็นสำคัญคือไม่เอาอ่า หรือพ่อของเขียนไม่เป็นอะไรกับอะไรนะมันอาจจะมีอะไรอะไรกับอะไรนะแต่ท่านไม่เป็นด้วยเ <c oughs> ช่นร่างกายเรามันต้องมีแล้วความทุกข์ทางกายนะมีแล้วนะมันมีนะแต่มไม่เป็นด้วยอันนี้ยมันได้หรือจิตใจเองนะมันก็ต้องมีสัญญาแต่ละคนนะในในชีวิตเนี่ยที่เราเติบโตมาหรือการศึกษาทั้งในระบบหรือนอกระบบนะ มันก็ต้องมีวิธีคิดที่มันไม่เหมือนกันเยวละนะพอเราต้องอยู่ด้วยกันนะอยู่ในวัดอยู่ในสังคมเนะี่ยมันก็มีวิธีคิดที่มันด่า่ังเคยถูกจจดิตกันไม่ถูกเจดิตกันบ้างนะแต่การเห็นนะมันทำให้เราไม่ปิดฟุกนะคนนี้ทำให้ชอบนะเราติดเราก็ทุบนะคนนี้ทำให้เราชอบเราก็เออก็ไหลไปด้วย แต่การเห็นก็แค่รู้นะรูร้รู้อย่างนั้นก็อย่างนี้นะรู้แล้วก็เลือกได้นะเหมืเราถูกจริกับอาหารแบบไหนใช่ไนะมีอาหารยแยกมากมายสมุนธัตมาชอบทานอิตาลีสมุนนะอาหารอีสานีนนะ ม, าาามานะเราก็รู้ว่าเราชอบแบบนี้เราก็เลือกทานาในสิ่งที่เราชอบสมุนนะแต่ไม่ใช่ที่ชอบแบบลด ร, รสชาติแตบบ่ชอบเพราะเี่ใส่คุ้มแบบนี้ มัอนพักชอบอยู่ป่ามันก็ไม่ใช่ไม่ชอบแบบมาอยู่เมืองไม่ได้หรอกแต่ถ้ามันเลือกได้มันก็เลือดไปอยู่ป่าเลยนะเป็นใค่ไม่ชอบแบบนี้นะจิต ท, ที่ไม่ชอบ น, นั้นจิตนิสัยมันมีอยู่แล้วทุกคนครูบาอาจารยน์ก็มีจิตนิสัยแตกต่างกันบางคนชอบพูดน้อยถ้าก็พูดน้อยบางคนชอบสอนถ้าก็ชอบสอนบางคนชอบปีดวิเวทถ้าก็ปีดวิเวทไป เป็นนิสัยแต่ละรูปไม่เหมือนกันแต่มันไม่ใช่คือการไปยึดสนะแต่มันเป็นท่านถนัดแบบนั้นตัวเราเองก็เหมือนกันมันไม่เหมือนกันเนาะแต่ถ้ารเราเองถ้าจะดูนิสัยหรือความเคยชินแบบไหนมันเป็นส่วนทําให้เกิดความทุกข์เกิดความหลงองรู้ทันเลยแต่ถ้าจะดูนิสัยบางอย่างมันก็ดีแล้วนะเราเป็นคนพูดน้อยสารวมวาจา ก็ช่วยในการภาวนาได้เยอะแต่ไม่ใช่ผู้เสดผู้ข้างนอกน้อยนะผู้ข้างในเยอะเออ่บางคนเก็บกดนะฟูน้อยไม่ค่อยต่อร้อนต่อเย็นก็คือรอกนะแต่โกรธอย่ในใจไม่พอใจอยู่ในใจนะอนะ่โมโหอยู่ในใจนะก็ไม่ใช่นะนะก็ปากไรค่ะ